วันเด้ก็ฝนฟ้าก็ลงมาได้เช้าเลยเนอะ <c oughs> ตื่นได้เช้าขึ้นมาเทวดาก็ปลปรยฝน ล, ลงมาให้รู้สึกว่าอสองสาวันมานี้ไอ้ฝนฟ้าตกไปทั่วประเทศในยินข่าววันน้ำท่วมกันหลายจังหวัดอยู่หลายที่อยู่มาแรงอยู่เฉพาะที่เขตภาคอีสานของเราปีนี้รู้สึกว่าฝนฟ้าจะแ้งอยู่ นามยังไม่ได้มาคงมาทุกปีไม่มาช้าก็มาเร็วก็โชคดีหน่อยวันสาราะฮะบูชาฝนฟ้าไม่ตกระตกนันก็ลบํบากญาติโยมก็พากันมาวัดกันยอะลูกเด็กเล็กแดงผู้รักผู้ใจพากันมามากราบมาไหว้สิ่งเป็นสิริมงคลของชีวิตถ้าเรารู้จักเอาไวเอาไปพิจารณาเอาไปแก้ไขชีวิตของเรา ก็ยิ่งจะดีใหญ่ยิ่งประเสริฐใจการเจริญสติเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้การควบคุมกายควบคุมวาา่าใจควบคุมใจรู้ใจรู้ลักษณะของใจถึงจะตื่นขึ้นมาอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดําเนินเราก็จะได้ดับทุกข์ของเราได้แก้ไขตัวเองได้ไม่ได้ไปพึ่งภายนอกเท่าไหร่ตนเป็นที่พึ่งของตน สมมุติเราขาดตัวปกพ่องเราก็ขยันมันเพียนอย่างสมมุติให้เต็มให้เกิดประโยชน์อันนนยังขาดอันนี้ยังขาดเราก็รีบแก้ไขเท่าที่กําลังของเรามีกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาแล้วก็การการขวัญขวายการสร้างสมมุติให้เกิดประโยชน์ก็จะได้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปวิ่งหาภายนอกกลับไปบ้านก็เหมือนเดิม ถ้าการกระทำของเราไม่มีความขยันหมั่นเพียรของเราไม่มีความเสื่อละรู้จักหารู้จักใช้รู้จกัจ ก, จกเก็บรู้จกักสร้างขึ้นมาให้เกิดประโยชน์จากในน้อยไปหามากๆมกันจะเต็มรอบอการปฏิบัติจิตก็เหมือนกันตั้งแต่ศรัทธาความเชื่อความเสื่อละความรับผิดชอบมีความจริงใจตัวตัวเองจิตของทุกคนอีกหลงมาตั้งนานเขาชอบเกิดชอบเที่ยว เที่ยวไปนนบังเที่ยวไปนี่บังสารพัดอย่า ง, ะะงเที่ยวไปในรูปในรสในกลิ่นในเสียงเขาไปเสวยเขาไปกินดียินไร้แล้วก็มีอาการของจิตอาการนกขันห้าเป็นเพื่อนเก่ามาชักชวนกันไปอยู่ตลอดเวลาเผอไม่ได้ส่วนมากจะไม่เผอจะไปด้วยกันก็ว่าไม่ได้จเจริญสติเขาไปแยกไปทำความเข้าใจเสก่อนจะไม่เผอ จะไปด้วยกันเลยแล้วก็ส่งเสริมกันไปเลยส่งเสริมกันไปทั้งใจทั้งคันห่ารวมกันไปหลงกันไปมองเห็นความถูกต้องอยู่ในระดับพงสมมุติแค่นั้นเองมันหลงอยู่ในความถูกต้องของโลกียะเพราว่าวิญญาณยังไม่ได้คลายปีนี้ก็ฝนปาก็เริ่มตกลงมาแล้วต้นไม้ก็ให้ความร่มรื่นนมเย็นอีก 5ปี10ปี20ปีข้างหน้าถ้าต้นไม้เติบโตขึ้นมาให้ร่มเงาหมดหจะเย็นมากทีเดียวในป่าจะเป็นด่งป่าใสป่าสาระป่าต้นกันเกาป่าปริบป่ากลละประพฤกป่าไม้หอมเดินไปที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ไม้หอมไม้ประดับปีหน้าก็ต้นกาลลประพฤกออกดอกเต็มสวนมลีวันก็จะได้พาชรองสมโพธิใหญ่ ถ้างานเสร็จเร็วไวก็จะได้ฉลองสมโภชทันงานกระทินของคุณหมอวันที่17เพฤศจิกาจนวันขึ้นส5บห้าคำเดือนสิบสองลอยกระทงด้วยน้ำเต็มบ่อเต็มสะให้ทุกคนมีความสุขในมาทำบุญถ้าสมมุติต่างๆเสร็จทันทางโรงทานเสร็จทันทางงานเล็กๆ น, น้อยๆก็คงจะเสร็จเพราะว่า เลออยยัไม่มากจะให้ทันงานของคุณหมอจะล้องถมโพ์กันเลยถมโพ์บุญใหญ่คุณหมอได้เป็นผู้ปกเบิกในการสร้างวัดซื้อที่สร้างวัดให้กับทุกคน <c oughs> แล้วก็ได้จัดสร้างพระพุทธรูปยกองใหญ่ทั้งพระโพธิสัตว์คนอิ่มยกองคใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของทุกคน ยกก้อนใหญ่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆส่วนมากก็ไม่ได้ยกก้อนเล็กโ<ม>ดยเรียงบุญแรงอธิษฐานถึงได้ยกก้อนใหญ่แล้วก็คูบุญคู่บารมีนี่พระบรมไอ้โพธิสัตว์ยกคนอิ่มยกใหญ่ใหญ่เสมอกั น, ส ร, กนสร้างบุญมาด้วยกันสร้างบุญมาดีสร้างบุญมาเสมอภาพจะไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ด้อยสร้างมาเสมอกัน ทั้งคู่สามีภรรยา <c oughs> นี่แหละอนุภาพแห่งบุญพวกเราก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันได้มาช่วยกันทุกคนล่อล้อมสถานที่ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่คนนนบัง่งคนนี้บัง่งต่างปลายต่างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบช่วยกันทำจากความไม่มีจนเป็นแหล่งบุญใหญ่เห็นญยติโยมมานี่ยเต็มวัดไปหมดเลย จนไม่มีที่จอดรถเลยวันาสารหามุชาทุกวันทุกวันมันปกติธรรมดา ก, ก็เยอะไม่ตั้งแต่เช้ายันมืดต่อไปในวันข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งมุญใหญ่มะฮ์มะพวกเราจากไปขนรุนหลังก็จะได้มาสารต่อไม่ได้มาเริ่มต้นใหม่นี่แหละอนุภาพแห่งบุญสืบต่อกันพวกเรามีโอกาสมากบุญเล็กน้อยๆยเราก็จะไปมองข้าม พยายามอย่างพยายามสร้างความขยันมั่นเพียรความรับผิดชอบความเรสสละผมมีหานความเมตตาเท <c oughs> ่าที่พวกเราจะอนุเคราะห์กําลังกายกําลังใจของเรามีจากความไม่มีก็ทําให้มีให้เกิดขึ้นทีนี้เรารู้จักรักษารู้จักบํารุงส่วนทรัพย์ภายในการชาระกิเลสออกจากใจของเราก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราก็าเราจะละได้มากได้น้อยละได้หมดจด ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของเราอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้ย่งโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองแนวทางนั้นมีอยู่อย่าไปสงสัยอย่าไปลังเลอยากรู้ธรรมเราก็ต้องสร้างธรรมให้หมีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าเรารู้เราแล้วเราก็รู้เขาอย่าไปเที่ยวรู้ตั้งแต่ภายนอกคนอื่นจะเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นส่วนของคนอื่น เราจงดูตัวเราแก้ไขตัวเราดูภาระหน้าที่การงานของเราให้ดีอ น, นาคตก็ออกมาดีมีอะไรเราก็ช่วยกันทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเสลิสละถ้า ต, ต่างคนต่างไม่รู้จักมีความเสลิสละมีความรับผิดชอบอยู่คนเดียวก็เละเทะบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นไปที่ไหนก็หนักหนักกายหนักใจหนักสหารที่ ถ้าเรารู้จักตัวเราแก้ไขตัวเราอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายพ่อต่างคนต่างก็มีความรับผิด ช, ชอบก็รู้สึกว่าที่วัดของเรานี่ก็ช่วยกันดีมีความรับผิด ช, ชอบดีอยู่ในระดับ60สิบเจปอร็ต <c oughs> ์ออกไปภายนอกนี่เละเทะกว่าวัดเรานี่มากมายขนาดว่าวัดเรายังทําไม่ได้เต็มที่ พอไปเห็นสภาพข้างนอกไปไม่ไหวเลยยิงเละมากเลย <c oughs> เราก็ต้องพยายามีอะไรเราก็ช่วยกันวันนี้พระเราส่วนหนึ่งก็พากันไปช่วยลงสีที่สวนมะลิวันวิหารธรรมจักรให้หน่อยนะเอาสีแดงไปลงจะได้ลงสีทองลงสีแดงลงพืนเชีก่อนลงเสาวิหารล้วก็จะได้ลงสีทองจะได้ทันตกแต่ง ให้สวยให้งามหมดทุกจุดทุกคนก็จะได้มีความสุขมีอะไรเราก็ร่วมกันช่วยกันแหล่งบุญอยู่ที่ไหนเรามนุษย์เราเทวดายอมจะหลังไรลมาอันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของ เ, เทวดาอาจต่างเจพรพกรกันอขอให้ทุกคนจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของเราให้ชัดเจนหยุดความนึกคิดพุ่งแต่งต่างๆเอาไว ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้ก็พยายามอดพยายามขบหลงสูตรลมหายใจเข้าไปเจเจ้ๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเจเจ้ๆความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจนั่นแหละคือสติรูกก้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตรวทั่วพร้อมเป็น ต, ตื่นขึ้นมา ความรู้เึกตัวพั้งเผแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่พั้งเผแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่เพียงแค่สร้างให้ต่อเนื่องพวกเราก็ไม่มีความเพียรกันตรงนี้เลยปล่อยปะละเลยกันมากทีเดียวไอ้เรื่องที่จะไปรู้จิตไปควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ไปควบคุมกายควบคุมวัาจานั้นอย่าพึ่งไปพูดถึงเลยเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องสร้างขึ้นมาให้ได้เช่นก่อนอันนี้ก็ทั้งยาก ทั้งที่ใจก็เป็นบุญอยากจะได้บุญอยากจะรู้ธรรมอยากจะเห็นธรรมตรงนั้นมันเป็นของเขาอยู่เขาเกิดเกิดดับดับเขาหลงตรงนั้นอยู่เขาหลงเกิดอืขันห้าก็มาปรุงแต่งใจอยู่แต่ความรู้ตัวไม่มีจะไปเห็นได้ยังไงเราต้องมาสร้างความรู้ตัวให้ได้เช่นก่อนให้ต่อเนื่องให้ได้เช่นก่อนแล้วก็เข้าไปรู้เท่าทันไปควบคุมจิตอไปสังเกตไปวิเคราะห์การเกิดการดับจิต ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ใจที่คลายออกจากความคิดเป็นอย่างนี้เทวานทั้งหกทำหน้าที่อย่างนี้ใจที่ส่งออกไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างนี้ชื่อหน้าตาอาการมันเป็นลักษณะอย่างนี้ต้องรู้แจ้งเห็นจริงทําความเข้าใจแล้วก็ละให้ถึงจุดหมายปลายทางจนหมดความสงสัยหมดความหลังเลนั่นแหละอะไรที่เกิดขึ้นในกายของเราในสติปัญญาต้องค้นคว้าไปดูไปรู้ให้เท่าทันให้หมดทุกอย่าง ต้องตื่นขึ้นมาความเป็นอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราจะบริหารกายของเราอย่างไรบริหารใจของเราอย่างไรต้องให้รู้ให้ชัดเจนเรามีความพยันามมันเ พ, เพียงพอหรือไม่การขัดเคลากิเลสของเรามีเพียงพอหรือไม่กิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอาการเป็นหน้าตา ย, ยางไรแต่เวลานี้กาลังสติของเราไม่ได้เจริญให้ต่อเนื่องกันเลย ทั้งที่ใจอยากจะได้ทําอยากปฏิบัติทำไปปฏิบัติรรม ท, ที่โน่นที่นี่ความอยากพาไปทั้งนั้นมันปิดกั้นเอาไว้หมดเราพยายามมาส า, สางเห็นการเกิดการดับนะกิเลสตัวไหนมันจะมาเล่นงานเรากิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่ใจใจปรุงแต่งร่วมหรือไม่ขันห้ามาปรุงแต่งใจนิวรณ์ทำเป็นยังไงสติพลั้งเผลอได้ยังไงกิเลสเป็นฝ่ายกุศลหรือว่ากุศลเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคต ตัวใจของเราเกิดความยินดีได้อย่างไรเกิดความบินลายได้อย่างไงใจเป็นสุขยังไงเราต้องวิเคราะห์ให้รู้เท่าทันทุกอย่างมันพัฒนสอนใจของตัวเราก็าแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องไปให้คนนน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนลกคนที่มีอานิสงส์มีบุญมีอะไรขัดตกปกป้องรีบทำจนล้นเหลือเอาไปสู่หมู่สู่คณะสู่พี่สู่น้องสู่สังคมสู่เพื่อนเกิดแจ่เก็บตายด้วยกันพระพุทธเจ้านั้นสอนเรื่องอะไรเราต้องทําความเข้าใจ ท่านสอนเอาคําว่าอัตตาลักษณะอัตตาเป็นไงอนัตตาเป็นไงสมมุติเป็นไงวิมุติเป็นยังไงกิเลสหยาบกิเลสละเอียดอาการหน้าตาอาการชื่อมันเป็นยังไงเราต้องตรวจดูหมดแล้วก็ทําความว่าใจแล้วละออกให้จากใจของเราจนเหลือ่อแต่สติปัญญาเป็นผู้บริหารใจรับรู้อันนี้พูดปลายเหตุเราต้องพยายามหลวงพ่อก็ย้ํานังแต่ต้นเหตุให้รู้จากการเจริญสติให้ต่อเนื่องให้ได้ เป็นแค่เรื่องการหายใจพอจะดูจะรู้ทีรู้การหายใจเข้าออกทีบางทีก็ อ, อึดอัดบางทีสมองก็ตึงบางทีจิต ก, ก็แน่นแหน้า อ, อกเพราะความไม่เคยชินยิ่งไม่เคยชินยิ่งไม่เข้าใจเท่าไร่เรายิ่งเพิ่มความเพี่ยนให้เป็นทวีคุณอยู่หลายคนเราก็สังเกตเราอยู่คนเดียวเราก็สังเกตหรอ ก, กรจนหนุนกําลังสติปัญญาเข้าไปตามคนคว้าหมดความสงสัยได้หมดจนสติปัญญาล้นออกไปสู่ โลกภายนอกหรือโลกธระทำปรได้ท่านถึงบอกว่ารอบรู้ในของสังขารรอบรู้ในโลกกระทำจงเป็นอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญามันมีไม่มากหรอกถ้าคนเราขยันมันเพี้ยนก็ทุกคนเราเกิดมาด้วยแรยงของกรรมกายของเรานี่แหละก้อนกรรมตัวจิตของเรานี่แหละไปสร้างกรรมถ้าเรารู้จกักเราเราจะอยู่เหนือกรรมอยู่กับบุญจิตเป็นบุญกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญ โดยจักสํารวมกายว่าจจใจแต่ละวันน่ยไม่รู้จักควบคุมกายไม่รู้จักควบคุมว่าใจาไม่รู้จักควบคุมใจแต่ไม่ได้พูดไม่ได้คิดแล้วมันอึดอัดมันงดหยิ ด, ดมันขันยุกจิกยุกกุกิกอยู่กันะถ้าได้พูดเรื่องของคนอื่ น, surfaces, นคนโน้นคนนี้ระบายเหมือนกับได้กินยาระบายทองเลยทีเดียวเราพยายามผึกผลตนเองแก้ไขตนเองตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกัน สร้างความรู้ทีรับร้การหายใจเข้อออกให้ชัดเจนกันน ะ, ะไว้ปลาพอมๆกันค่อยไปสร้างส้อต่ออันนี้เป็นแค่เล่าให้ฟังเท่านั้นเอง